ข้าแต่พระนาคเษนผู้เจริญสิ่งอันใดาอาจจะตัดซึ่งสิ่ ง, งอันสุขุมได้พระนาคเษนจริงวิสัชนาแก้ไขว่าสิ่งที่จะตัดซึ่งสิ่ ง, งอันสุขุมนี้มีอยู่ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาคเษน ผ, เผู้เจริญด้วยปรีชา สิ่งซึ่งสุขุมกว่าสิ่งทั้งปวงนี้จะได้แก่สิ่งใดพระนาคเษนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะตูกระบพิทพระราชสมภารสิ่งซึ่งสุขุมอื่นๆนั้นจะสุขุมเท่าพระสัิธ ร, รหาไม่ได้แต่ว่าธรรมทั้งปวงนั้นจะสุขุมสิ้นทีเดียวหาไม่ได้ธรรมที่หยาบก็มีธรรมที่ละเอียดก็มีแต่ที่ว่าธรรมสุขุมนี้